สร้างสารรค์และผลิตราการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกไทยนะครับรายการนี้มีผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนเป็นผู้ดำเนินรายการเราพบกันที่ FM 89.5 สเมกะเฮิรซสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝนตกฝนตกติดต่อกันหลายๆวันเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเสื้อผ้าไม่ค่อยแห้ง บางท่านก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพตัวผมเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเล็กน้อยนะครับวันนี้เสียงอาจจะแหบแห้งเสียงอาจจะอู้อี้นิดหนึ่งก็ต้องขอไผ่คุณฟังไว้ณนะที่นี้ด้วยแต่รับรองวันนี้นะครับทั้งใจแล้วก็เนื้อหาที่เตรียมมาในวันนี้รับรองว่าเต็มร้อยเช่นเคยนะครับเรามาดูว่าวันนี้รายการมรดกไทยทั้งสี่ช่วงมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับ คุณผู้ฟังครับช่วงมรดกเพลงไทยผมนำเสนอเพลงสิ้นกลิ่นดินทำไมต้องเป็นเพลงนี้สาเหตุเพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยหลังฝนตกเราก็จะได้กลิ่นไอดินนะครับเป็นกลิ่นธรรมชาติผมก็จะนึกถึงเพลงนี้ตลอดวันนี้นำเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังและเพลงนี้เป็นเพลงที่ขับร้องโดยคุณเทอุเทนพรมมินนะครับคุณผู้ฟังจะได้รับทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาของคุณเทอุเทนพรมมิน ในช่วงมรดกวิถีไทยครับก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของดินนะครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องราวของสีของดินที่ใช้ในการพาะปลูกความจริงแล้วดินมีด้วยกันหลายสีหลายชนิดมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อพืชนเนี่ยหลากหลายเช่นกันดังนั้นวันนี้เราจะได้ทราบเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับดินที่ใชในการพาะปลูก นอกจากจะใช้เพื่อการเกษตรแล้วยังสามารถมาทําเครื่องปั้นดินเผาได้วันนี้ผมจะนําเสนอเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็การทําตุ๊กตาชาวังสําหรับช่วงที่4มรดกทางภาษานะครับก็จะต่อเนื่องมาจากมรดกภูมิปัญญาไทยเพราะว่าในช่วงมรดกทางภาษาก็จะพูดถึงวิธีเก็บรักษาทรัพย์สมบัติของคนในสมัยก่อน นั่นก็คือนำเสนอตานานของปู่โสมเฝ้าซัพ์ในสมัยอยุธยานะครับคุณผู้ฟังจะได้ทราบเตุผลว่าทำไมต้องมีการเก็บซัพ์ไว้ในดินมีการฝังเอาไว้เพื่อไม่ให้ข้าศึกหรือว่าขโมยขโจนเนี่ยได้รับทราบนะครับทั้งสี่ช่วงน่าสนใจใช่ไหมครับและสิ่งที่เพิ่มความน่าสนใจทั้งสี่ช่วงก็คือเพลงเพลงไทยเพล่เพเพลงไทยคุณภาพ และเป็นเพลงไทยที่ถูกคัดสรรแล้วอย่างดีนี่คือรายการมรดกไทยนะครับรายการที่ตั้งใจจะทำให้คุณฟังได้สาระความรู้แล้วก็ความสุขเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบทั้ง4ช่วงของรายการมรดกไทยครับ FM 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาถึงในช่วงที่หนึ่งโมโรดกเพลงไทยนะครับคุณฟังครับสำหรับเพลงสิ้นกลิ่นดินซึ่งเป็นเพลงเก่าออมีอายุมากกว่า40ปีนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาและท่วงทานองที่เพราะมากสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงนี้ก็คือครูอี s ์อารีซึ่งท่านก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับสำหรับ เพลงสิ้นกลิ่นดินนั้นคุณวินัยพันธุรักเคยเป็นผู้ขับร้องไว้แต่ว่าวันนี้ผมหยิบเวอร์ชันของคุณเทอุเทนพรมมินมาฝากคุณผู้ฟังดังนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักประวัติความเป็นมาของคุณเท่กันสักนิดหนึ่งนะครับต่อไปนี้จะเรียกคุณอุเทนพรมมินว่าคุณเท่เพื่อความาสะดวกนะครับแล้วก็ง่ายดีคุณเท่เกิดที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ แล้วก็ย้ายตามครอบครัวมาปักหลักอยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่แล้วก็จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนยุพ ร, ราชวิทยาลัยแล้วกเ็เรียนต่อในระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ฟังคุณเท่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ6ขวบโดยเครื่องดนตรีที่คุณเท่เริ่มเล่นเป็นชิ้นแรกก็คือทรัมเป็ตนะครับแล้วก็เริ่มฝึกฝน จากนั้นด้วยใจรักดนตรีก็ฝึกฝนมาอย่างจริงจังแล้วต่อมาก็ได้มาร้องเพลงที่ห้องอาหารซึ่งคุณเทเน่ก็มีคุณสุชาติชวางกูลนะครับเป็นต้นแบบจนกระทั่งได้มีโอกาสโชว์ตัวนะครับเป็นนักร้องออกรายการโทรทัศน์ตามที่ต่างๆก่อนที่จะเข้ามาประกวดร้องเพลงในงาน national expo ซึ่งก็ได้ตำแหน่งแชมป์นะครับ เรียกว่าได้แชมป์สองปีซ้อนเลยจากบทเพลงเดียวกันนะครับหากหัวใจฉันมีปีกบินคราวนี้เราก็มาดูรางวัลที่คุณเท่ได้รับนะครับเมื่อปีพศ2534คุณเท่ได้รับรางวัลนักร้องดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีโดยสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยปี2550นะครับคุณเท่ได้รัรางวัลชนะเลิศโครงการเพชรในเพลง สาขาการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายจากเพลงกาสานาคาซึ่งางานนี้จัดโดยกลมศิลปกรเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับมาดูในปีพศ2554คุณเท่ได้รัรางวัลชนะเลิศโครงการเพชรในเพลงซึ่ง สาขาที่ได้รับนะครับก็เป็นสาขาการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทยแล้วก็ประเภทผู้ขับร้อง เ, อเพลงไทยสากลชายจากเพลงลิขิตอรัก์จากเบื้องบนซึ่งงานนี้ก็จัดโดยกรมศิลปากรเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติก่อนที่จะฟังเพลงนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามาดูเนื้อเพลงกันนิดหนึ่งเพลงนี้เนื้อเพลงไม่ยาวนะครับก็เป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่ดี เนื้อหาในเพลงก็บอกว่าโชมยงเจ้าคงไม่รักเราจริงเราซิเชื่อทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าจำจันรู้ไหมใครเขาคอยเฝ้าฝันคิดถึงเจ้าทุกวันจำจันจะไม่กลับมาโบยบินลืมสิ้นคนท้องนาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดาราเรียกหาเจ้าไม่ได้ยินโชมยงเจ้าคงจะลืมเราสิ้นค่าของเราเพียงดินได้ยินแต่คานินทา นี่ก็เป็นเนื้อเพลงบางส่วนนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังทั้งผมและคุณผู้ฟังเราจะมาฟังเพลงไทยคุณภาพสำหรับเพลงนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในช่วงที่ฝนตกเกือบทุกวันและเพลงนี้คือเพลงสิ้นกลิ่นดินขอเชิญรับฟังครับ ที่เชื่อทุกสิ่งรักจริงแต่เจ้าแจ่มจันทรู้ไหมใครเขาคอยเฝ้าฝันคิดถึงเจ้าทุกวันแจ่มจันทร์เจ้าไม่กลับมาโบยบินลืมสิ้นคนท้องนาเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นดารา าาเจียาจไม่ได้ยินช่อมยงเจ้าคงจะลืมเราสิน้นค่าของเราเพียงดินได้ยินแต่คำอินทา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 s วีทแ FM แฝงปกหาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทรศู6ย์ส7งหก แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่เพราะมากถึงมากที่สุดก็คือเพลงสิ้นกลิ่นดินเพลงนี้คุณเท่ขับร้องไว้แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งฟังกี่ครั้งกี่หนก็ไม่เบื่อนะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลงเก่าก็สามารถฟังได้จากรายการมรดกไทยนะครับในช่วงมรดกเพลงไทยเราก็จะนาเสนอเพลงไทยอมาตะที่มีคุณค่า จากเพลงสิ้นกลิ่นดินนะครับมาถึงในช่วงมรดกวิถีไทยผมก็จะพูดเรื่องราวของดินให้คุณฟังได้รับทราบต่อเนื่องกันเลยนะครับคุณผู้ฟังเรารู้จักคำว่าดินในทางการเกษตรเนี่ยก็หมายถึงวัตถุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการผุพังของหินรวมทั้งแร่ธาตุต่างๆผสมเข้ากับซากพืชซากสัตว์ซึ่งย่อยสลายแล้วจึงทาให้เกิดเป็นดินขึ้นมาซึ่งดินนี่แหละ ก็ใช้เป็นสถานที่ในการปลูกพืชปลูกต้นไม้ดอกไม้แล้วก็พืชผักผลไม้มากมายทีเดียวนะครับจริงๆแล้วองค์ประกอบของดินเราก็ทราบว่ามีด้วยกัน4ส่วนนะครับก็จะมีแร่ธาตุมีอินทรีย์วัตถุอาจจะเป็นซากพืชซากสัตว์ที่นอเปื่อยแล้วก็มีน้ำแล้วก็อากาศนะครับชนิดของหน้าดินที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักเนี่ย มาดูที่ดินชั้นบนหรือว่าชั้นไถพรวนก็จะมีความสำคัญต่อการเพอะปลูกพืชมากเนื่องจากว่ารากของพืชส่วนมากก็จะชอนชหาอาหารณดินชั้นบริเวณนี้ดินชั้นบนก็จะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุสูงกว่าดินชั้นอื่นนะครับปกติดินชั้นบนจะมีสีเข้มนิดหนึ่งหรือที่เรียกว่าคล้ำก็ ใช้ในการเพาะปลูกพืชทั่วๆไปแล้วก็จะต้องมีความหนาของชั้นหน้าดินเนี่ยประมาณ0ูนถึงสิเซนติเมตรนะครับส่วนดินชั้นล่างรากของพืชสําหรับที่เป็นไม้ยืนต้นก็จะมีรากชอนชัยลงไปถึงชั้นนี้ได้แล้วก็จะมีอินทรีย์วัตถุน้อยกว่าชั้นบนดินซึ่งมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกควรจะต้องมีหน้าดินรวมทั้งชั้นบนแล้วก็ ชั้นล่างเนี่ยมีความลึกไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับคราวนี้เรามาดูคุณสมบัติของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโ ต, ตของพืช น, นะครับก็มีด้วยกัน3ชนิดชนิดแรกก็คือดินเหนียวก็เป็นดินที่มีความละเอียดมากที่สุดยืดยุ่นได้ดีเมื่อเปียกน้าแล้วก็จะเหนียวติดมือสามารถที่จะปั้นเป็นก้อนได้จากความเหนียวเนี่ยทำให้มันพังได้ยาก อุ่มน้ําดีรวมทั้งจับยึดแล้วก็ดูดธาตุอาหารของพืชทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารของพืชเนี่ยอยู่มากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังดินชนิดนี้เหมาะสําหรับใช้ปลูกข้าวเนื่องจากกักเก็บน้ําไว้ได้นานดินทรายก็จะเป็นดินร่วนเกาะตัวกันไม่ค่อยแน่นนักจึงทําให้ระบายน้ําได้แล้วก็อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดี แต่ว่าอุ้มน้ำได้น้อยพังทลายได้ง่ายมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเนื่องจากว่าความสามารถในการจับธาตุอาหารนั้นมีน้อยทำให้พืชที่ขึ้นอยู่ในบริเวณดินทรายนี้ก็จะขาดน้ำแล้วก็ขาดธาตุอาหารได้ง่ายนะครับคุณผู้ฟังคราวนี้มาถึงดินร่วนดินร่วนก็เป็นดินที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาเราจับดูแล้วก็จะนุ่มๆ น, นะครับมีความยืดหยุนพอสมควร ระบายน้ำได้ดีปานกลางแล้วก็มีแร่ธาตุอาหารของพืชมากกว่าดินทรายดินชนิดนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้พาะปลูกเป็นอย่างมากแต่ดินร่วนแบบของแท้เนี่ยมักจะไม่ค่อยพบในธรรมชาติแต่ก็จะพบดินซึ่งมีเนื้อดินใกล้เคียงกันเสียมากกว่านะครับดินที่เหมาะแก่การปลูกพืชดินแบบมีน้ํำขังหรือดินที่ลักษณะแน่นทึบ พืชก็จะไม่สามารถเติบโตได้ดีเท่าที่ควรเนื่องจากว่ารากของพืชนี้อาจจะขาดอากาศสำหรับใช้หายใจทำให้ไม่อาจจะดูดธาตุอาหารไปใช้ได้นะครับคุณผู้ฟังครับคราวนี้เรามาดูสีของดินแต่ละชนิดแต่ละประเภทน่าสนใจมากทีเดียวนะครับสำหรับดินสีดำสีน้ำตาลเข้มนะครับหรือสีคล้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมีการคลุกเคล้าด้วยอินทรีย์วัตถุมากมายโดยเฉพาะดินชั้นบนแต่ว่าบางกรณีสีคล้ําของดินเนี่ยก็อาจจะเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยที่ควบคุมการเกิดดินประเภทต่างๆนะครับนอกเหนือไปจากการมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุในดินมากเช่นดินที่พัฒนามาจากวัตถุต้นกําเนิดที่มันผุพังนะครับ แล้วก็สลายตัวมาจากหินที่ประกอบด้วยแร่ที่มีสีเข้มนะครับเช่นจำพวกหินภูเขาไฟแล้วก็มีระยะเวลาการพัฒนาไม่นานหรือดินที่มีแร่แมงกานนิ t สูงก็จะให้ดินที่มีสีคล้ำได้เช่นกันนะครับสำหรับดินสีเหลืองหรือดินสีแดงคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าดินสีเหลืองหรือ แดงของดินส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีของออกไซด์ของเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมนั่นแสดงให้เห็นถึงดินเนี่ยมีการพัฒนาการเนี่ยสูงผ่านกระบวนการผุพังสลายมีการซึมมีการชะนะครับมาเป็นเวลานานดินชนนี้เป็นดินที่มีการระบายน้ําดีแต่ก็มักจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ํานะครับส่วนดินสีเหลืองนั้นแสดงว่ามีออกไซด์ของเหล็กที่มี น้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนดินสีแดงนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นดินที่มีออกไซด์ของเหล็กหรืออะลูมิเนียมไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบคราวนี้เราก็ได้ความชัดเจนเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนละ่ะ เป็นอย่างไรบ้างการที่ดินมีสีอ่อนอาจจะแสดงว่าเป็นดินที่เกิดมาจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่สลายตัวมาจากหินที่มีแร่สีจางเป็นองค์ประกอบนะครับเช่นหินแกรนิตหรืออาจจะเป็นหินทรายบางชนิดก็ได้หรืออาจจะเป็นดินที่ผ่านกระบวนการชะล้างอย่างรุนแรงจนธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชเนี่ยอาจจะถูกซึมชะล้างออกไปหมดหรือ ดินที่มีสีอ่อนเนื่องจากมีการสะสมของปูนยิบซ้ำหรือเกลือชนิดต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ไปสะสมอยู่ที่หน้าดินก็ได้นะครับดินเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์น้อยเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ได้มาถึงดินสีเทาหรือสีน้ำเงินนะครับการที่ดินมีสีเทาหรือมีปนไปด้วยสีน้ำเงินนะครับบ่งชี้ว่าดินอยู่ในสภาวะที่ มีน้ําแช่ขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่ที่ลุ่มนะครับเคยสังเกตไหมว่าจะมีสีน้ําเงินหรือสีเทาๆหรือดินที่อยู่ในป่าชายเลนที่มีน้ําทะเลท่วมถึงอยู่เสมอๆก็มีสภาพของการระบายน้ําการถ่ายเทอากาศที่ไม่ค่อยดีนักก็ทําให้เกิดสารประกอบของเหล็กพวกที่มีสีเทาหรือว่าสีน้ําเงินนะครับคุณผู้ฟัง แต่ว่าถ้าดินอยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งดินก็จะมีสีจุดประซึ่งโดยทั่วไปก็จะปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนพื้นสีเทานะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบออกไซด์ของเหล็กที่สะสมอยู่ในดินนะครับคุณผู้ฟัง โดยตั้งข้อสังเกตว่าสารเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปที่มีสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้าแช่ขังซึ่งถ้าขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ในรูปที่ให้สารสีแดงเมื่อได้รับออกซิเจนนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องสีของดินแล้วก็ปัญหาของดินที่พบบ่อยๆดังนั้นเราต้องช่วยกันรักษานะครับ อย่าทิ้งสารเคมีหรือสารพิษลงไปบนดินเพราะว่านอกจากจะทําให้ดินเสียแล้วสัตว์ที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการเกษตรก็จะตายลงไปด้วยดังนั้นช่วยกัน ร, รักษาดินของเราไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกัน ร, รักษาดินแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งดีงามบนแผ่นดินแห่งนี้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปนะครับ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 ซึ่งดินแต่ละชนิดก็มีสีแตกต่างกันแล้วก็มีาธาตุอาหารแตกต่างกันนะครับครูฟังทราบไหมครับว่าดินบางชนิดในบางที่นั้นสามารถมาสร้างงานศิลปะหัตถกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อที่สําคัญได้นะครับวันนี้ในช่วงมรดกภูมิปัญญาไทยผมจะนําเสนอเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งของตำบลด่านเกวียนอยู่ที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับการทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นได้รับความนิยมมากแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าโอทอปที่สร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านด่านเกวียนเป็นอย่างยิ่งนะครับสาเหตุที่เครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนได้รับความนิยมนะครับ ก็เนื่องมาจากว่าตัวสินค้านั้นมีความคิดสร้างสารรค์มีความงดงามและที่สําคัญนะครับคุณผู้ฟังสินค้าที่ผลิตขึ้นมานั้นมีความแข็งแกร่งทนทานแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของรูปแบบงานปั้นที่มองแล้วก็จะเห็นความหลากหลายและเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศนะครับ ในปัจจุบันนะครับหมู่บ้านที่ด่านเกวียน2ข้างทางก็จะมีร้านค้าที่ขายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้จ่ายเลือกซื้อเป็นของที่จะลึกกลับบ้านได้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นมีลักษณะสวยงามคงทนแล้วที่สําคัญก็คือว่า ดินที่ใช้ในการปั้นนั้นเป็นดินเหนียวที่มีลักษณะเนื้อละเอียดแล้วเขาก็ขุดขึ้นมาจากดินที่ริมฝั่งแม่น้ำมูลซึ่งในพื้นที่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากุดหรือว่าแม่น้ำด้วนลักษณะก็จะเป็นลักษณะลำน้ำที่คดเคี้ยวแล้วก็มีการกัดเซาะตะลิงจนขาดแล้วก็เกิดลาน้ำด้วนขึ้นส่วนที่เป็นแนวกัดเซาะ ก, ก็จะกลายเป็นแหล่งทับถมของดินนะครับ ดังนั้นดินที่นี่จึงมีคุณสมบัติพิเศษง่ายต่อการปั้นรูปเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็มีความทนทานสามารถที่จะเอาไปเผาแล้วก็รูปทรงก็ยังสวยงามและก็ข้อสำคัญนะครับหลังจากที่เผาเรียบร้อยแล้วก็จะให้สีธรรมชาติเป็นสีแดงซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากธาตุเหล็กที่ผสมอยู่ในดินนะครับคุณผู้ฟังครับ นี่คือความงดงามของเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกวียนนะครับจริงๆแล้วคนไทยนั้นมีภูมิปัญญาไทยในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผามากมายหลายที่นะครับต่อไปผมจะขอยกตัวอย่างศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จนะครับคุณผู้ฟังถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววางบ้านบางเสด็จนะครับคุณผู้ฟังก็จะเห็นเรือนไทยทรงสูงตั้งตระ n g g a n อย่างสวยงาม อยู่ที่บริเวณวัดท่าสุทธาวาสก็ในพื้นที่ตำบลบ้านบางเสด็จความจริงแล้วนะครับชื่อนี้หมู่บ้านนี้เดิมชื่อวัดตาลซึ่งต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นชื่อบ้านบางเสด็จเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราศฎรผู้ประสบภัยน้าท่วมในปีพศ2518 และสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความปลื้มปิติให้กับราษฎรเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงจากชื่อวัดบ้านตาลเป็นบ้านบางเสด็จคุณผู้ฟังครับศูนย์ตุ๊กตาชาววงที่บ้านบางเสด็จก็จะเป็นการรวมตัวของชาวบ้านนะครับในการที่จะปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งตุ๊กตาชาววังที่นี่ก็มีลักษณะพิเศษเพราะว่า ก็อาศัยดินจากบริเวณแห่งนี้แหละครับปั้นตุ๊กตาชาววางที่มีความสวยงามจับใจลักษณะของตุ๊กตาชาววางที่บ้านบางเสด็จได้ปั้นขึ้นมานะครับสมาชิกก็มีการปั้นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยยกตัวอย่างเช่นการละเล่นของเด็กอาจจะมีตุ๊กตาชาววางที่เป็นรูปโมโหรีปี่พาดบางทีก็จะมี ตุ๊กตาชาววางที่ปั้นเป็นสุภาษิตคำพังเพยไทยหรืออาจจะมีรูปผลไม้ไทยซึ่งก็หลากหลายชนิดสวยงามน่ารักแล้วก็เหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ด่านเกลียนและศูนย์ตุ๊กตาชาววางังบ้านบางเสด็จนี่คือคุณค่าของดินที่ชาวบ้านนำมาประดิษฐ์เป็นหัตกรรมเป็นสินค้าโอทอที่สามารถส่งเสริม เพิ่มพูณรายได้เพื่อความกินดีอยู่ดีของชุมชนในท้องถิ่นนะครับดังนั้นถ้าใครแวะไปในสถานที่เหล่านี้คงจะต้องช่วยกันอุดหนุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการกระจายรายได้นะครับ With the t on t e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 FM 89.5 MHz คุณฟังครับจากช่วงที่แล้วนะครับพูดถึงสินค้าโอทอปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากดินเป็นเครื่องปั้นดินเผาก็ถือว่าเป็นของสะสม ถ้าเก็บไว้นานๆก็จะเป็นสมบัติอันล้ำค่าได้นะครับคราวนี้สมบัติล้ำค่าเหล่านั้นถ้าหากมีเหตุเพศภัยจะต้องเก็บรักษาอย่างไรสมัยก่อนไม่มีธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนก็จะมีการคิดหาที่ซ่อนในการฝังซั์สมบัติวันนี้มาถึงในช่วงมรดกทางภาษานะครับผมก็จะพูดถึงตำนานปู่สมเฝ้ารั์ คุณผู้ฟังคุ้นเคยกับคำว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับพูดถึงใครก็แล้วแต่ที่ในสมัยนี้นะครับถ้าเป็นคนหวงสมบัติเราก็จะเรียกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ได้คุณผู้ฟังครับย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีวิทยาซึ่งเป็นรัชธานีอันยิ่งใหญ่นะครับครั้งที่บ้านเมืองอยังสงบประชาชนมีความสุขแต่ว่าจนกระทั่งเกิดสงครามนะครับที่พม่ายกทัพมาตีที่ อายุทยาทาให้อยุธยาต้องล่มสลายผู้คนทหารช้างมา้าวัวควายถูกฆ่าตายกลื่นกลาดสมบัติมากมายนะครับที่สะสมไว้เจ้าของก็จะต้องหาที่ซ่อนหาที่ฝังเอาไว้เพื่อไม่ให้ทหารของพมา่าเนี่ยเอาสมบัติเหล่านี้ไปนะครับคุณนางข้าพบดีเจ้านายบางพระองค์นะครับนอกจากจะฝังสมบัติไปแล้ว บางคนก็ถึงขนาดฆ่าบริวารหรือทหารของตนเพื่อให้เป็นวิญญาณที่เฝ้าซัพย์สมบัติคือถ้ามีวิญญาณเฝ้าทรัพย์สมบัติเนี่ยเขาเชื่อกันว่าจะพรางตาไม่ให้คนเห็นแล้วก็สมบัติเหล่านั้นก็จะถูกฝังเอาไว้แล้วก็มีความปลอดภัยมากนั่นเองบุคคลที่ถูกฆ่าตายแล้วก็ให้เฝ้าสมบัติเราก็เรียกว่าปลูกสมเฝ้าทรัพย์นะครับคราวนี้มาดู ตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับในสมัยของอยุธยาเขาบอกว่าที่อยุธยานั้นมีเรื่องราวของการบอกเล่าเกี่ยวกับการค้นหาสมบัติแล้วก็ที่มาของสมบัติในสมัยก่อนที่ถูกฝังไว้มากมายทีเดียวนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องเล่าที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับเกี่ยวกับลายแทงแล้วก็ปูโสมเฝ้าทรัพย์แล้วก็สมบัติที่เกิดขึ้น ที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่ในสมัยอยุธยานะครับเขาบอกว่าที่อยุธยานี่มีที่ฝังทรัพย์สมบัติโบราณเอาไว้ถึง303แห่งด้วยกันและต่อไปนี้ก็จะยกตัวอย่างที่วัดกุฎีดาวนะครับเขาบอกว่ามีคุมทรัพย์เนี่ยฝังอยู่ถึง16แห่งด้วยกันส่วนลายแทงขุมทรัพย์มีค่ามหาศาลนั้นก็มีบางคนเนี่ย ได้ครอบครองเอาไว้เขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมีเจ้านายระดับพระองค์เจ้าพระองค์หนึ่งนะครับก็ได้หลายแทงนี้ขึ้นมาดังนั้นพระองค์เจ้าท่านนี้กับพระสหายชาวต่างประเทศก็ได้นําเอาเครื่องไมค์เดท็อกเตอร์ก็เป็นเครื่องที่เรียกว่าสแกนตรวจหาว่าที่ใดมีวัตถุโลหะเป็นเครื่องหาสมบัตินั่นเองมาสํารวจบริเวณวัดมห า, าธาตุนะครับ ก็สำรวจดูแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องมือนี้ก็สะท้อนสัญญาณอาอกมาว่ามีสมบัติฝังอยู่บริเวณนี้ต่างๆซึ่งสถานที่ที่ถูกเลือกก็เป็นวัดกุดีดาวซึ่งเป็นวัดร้างแล้วก็มีร่องรอยว่าเคยเป็นวัดที่ใหญ่โตสวยงามในสมัยกรุงศรีอ ย, ยุธยา น, นะครับแน่นอนนะครับก็จะต้องมีลายแทงสมบัติที่ถูกฝังเอาไว้ดังนั้นพระองค์เจ้าองค์นี้และพระสหาย ก็ได้ดำเนินการขุดค้นหาสมบัติดังกล่าวโดยอขอแบ่งทรัพย์ที่ขุดขึ้นเนี่ย 10% แล้วก็อีก 90% เนี่ยก็จะมอบให้เป็นสิทธิ์ของกลุ่มศิลปกรดังนั้นเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้เริ่มทำการขุดค้นในปีพศ2503นะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่น่าประหลาดก็เกิดขึ้นที่วัดกูดีดาวเมื่อขุดลงไปตรงจุดที่ ลายแทงระบุว่ามีสมบัติซ่อนอยู่แต่คุณผู้ฟังครับเมื่อขุดลึกลงไปกลับไม่พบสิ่งใดเลยแม้แต่ชิ้นเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเครื่องมือสแกนก็คือเจ้าตัวไมค์เทัเตอร์เนี่ยตรวจสอบดูแล้วนะครับว่ามีวัตถุมีสมบัติฝังอยู่ตรงนี้แต่ขุดลงไปกลับไม่เจออะไรเลยการขุดค้นหาสมบัติโบราณที่วัดกูดีดาวในครั้งนั้นจากคําล่าลือเขาบอกว่า นอกจากจะพบกับความผิดหวังแล้วเจ้านายพระองค์นี้แล้วก็พระสหายยังพบกับเหตุการณ์อัศจรรย์น่ากลัวนะครับอีกมากมายยกตัวอย่างเช่นก็คือพระสหายท่านเห็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาปรากฏต่อหน้าต่อตากลางวันแสกๆเขาบอกว่าเป็นร่างของนักรบไทยโบราณร่างกายใหญ่โตนะครับแต่ว่าไร้ศรีรษะนอกจากนี้ ภายในวังของท่านเองก็ยังมีเสียงคล้ายคนเนี่ยมาขุดดินอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นดังชัดเจนได้ยินกันทั่วไปเลยนะครับแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้พระองค์เจ้าท่านนี้ตัดสินใจที่จะต้องเชิญอาจารย์ที่มีความเก่งเรื่องไสยศาสตร์มานั่งทางไหนมาช่วยดูว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจารย์ท่านนั้นก็ได้บอกว่าวิญญาณที่ปรากฏนั้นเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เขาเป็นเจ้าของสมบัติแล้วก็ไม่ค่อยพอใจมากนักที่ท่านเนี่ยมาทำการขุดคนสมบัติของเขาจึงมาสัมดงกายให้เห็นแล้วก็ยังมีการสาปแช่งคนที่มาขุดสมบัติด้วยก็คือสาปแช่งขอให้มีอันเป็นไปนั่นเองแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นนะครับพราะบอกว่าพระสหายคนหนึ่งที่มาร่วมทีมขุดคนเนี่ย ได้เสียชีวิตกระทันหันทั้งที่ตัวเขาเองก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนสหายอีกคนหนึ่งก็หายสาบสูนไปโดยไม่ทราบชะตากรรมนะครับส่วนพระองค์เจ้าท่านนี้ท่านก็ประสบปัญหานะครับทำธุรกิจอะไรก็ขาดทุนไปหมดนะครับดังนั้นขุมทรัพย์โบราณที่วัดกุฎีดาวปัจจุบันก็ยังคงอยู่ที่เดิมเพราะว่ายังไม่มีใครกล้าไปขุดค้นเพราะเกรงว่า วิญญาณที่ยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัตินั้นจะมาหลอกหลอนแล้วก็สาบแช่งนะครับและนี่คือเป็นเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังข้ามหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะลื้ และไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้อยู่ตรงนี้พื่อรอดา ไป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 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลื่น fm 89.5 MHz เมเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้ผมอาจารย์สมพงษ์บุญนุนผู้ดำเนินรายการขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังเราจะพบกันใหม่คราวหน้าด้วยเรื่องราวสาระและก็เสียงเพลงดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยสาหรับวันนี้ผมขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุข